ที่สารุทธรในการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดเท่าที่ดูที่สังเกต ด, ดูจากลักษณะจิตของทุกๆท่านนั้นก็พอที่จะสรุปได้ว่ากรณีที่จิตวิญญาณจะเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะปัจจุบัน แต่ละขณะปัจจุบันนั้นหรือเรียกว่าวงจรของปฏิจจสมุปบาทจะเริ่มหมุนไปในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันซึ่งเป็นวงจรที่หมุนไปหากิเลสปัญหาอุปภาทานภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดทุกตกเศร้าเสยียใจเป็นการเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน ทุกขณะปัจจุบันของจิตปิญญาที่เป็นตัวเป็นตนเมื่อตายแล้วจิตปิญญานั้นเพราะความคุ้นเคยที่เป็นการเกิดใหม่ของจิตปิญญาณทุกขณนะปัจจุบันนั้นก็ทำให้ไปเกิดใหม่อีกเป็นไปต่างๆตามอำนาจของกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วสองคนได้เป็นไปในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเท่าที่สังเกตดูแต่ละขณะจิตของทุกๆตานนั้น จิตวิญญาณจะกเกิดเป็นตัวเป็นตนได้พอจะสรุปได้เป็น3มกรณีคือ1กรณีที่มีความเพลินใจติตใจ ย, ยินดีมีความพึงพอใจจิตใะยินดีเพื่อเพลินใจไปกับสิ่งใดในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันก็จะทำให้จิตวิญญาณ น, นั้นมีตัวเป็นตนขึ้นมา มีความพึงพอใจติดใจ ย, ยินดีห่วงใหญ่รับใช้ผูก พ, พันปัว พ, พันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรสมบัติพระสถานตำแหน่งราบยศต่างๆหรือเพลินใจเอื้เพลินจเจริญใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจริงใดในภายนอก ในขณะปัจจุบันนั้นๆหรือเพลินใจจิตใจยินดีไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เคยได้รับมาอยู่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆเพลิในใจปล่อยให้ความตึกนึกคิดองแต่งไปถึงถึงนั้นพอเกิดขึ้นมาโดยที่ทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัว คือเมื่อเพลินใจเกิดความตึกนึกคิดปมแต่งขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นๆที่ให้เพลินใจจิดใจยินดีไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆทั้ ง, งภายนอกและภายในนั้นแล้วก็มีความไม่รู้ตัวแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นอยู่ว่าสิทธิ์นั้น มีความเพลินใจสิ่งใดออกไปภายนอกตัวในรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสนั้นหรือเพลินใจไปกับความรู้สึกนึกคิอารมณ์อยู่ภายในเช่นความรู้สึก โ, โกปรงโล่งเบาสบายมีความพึงพอใจจิตใจยินดีเพลินใจในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโมหะคือเป็นความหลงเป็นความหลงเรียกว่าหลงไป ในกามชันทะหรือลาคะหรือความโลภเมื่อหลงก็ต้องหลงอะไรคู่หลงไปในทางที่พึงพอใจจิตใจเ ย, ย็นดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตสีธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หลงทั้งสิ่งใดไปนอกกลางกายและหลงทั้งภายในอย่างนี้ความหลงนั้นก็เป็นโมหะ แต่ลงไปในทางติดใจยินดีเพื่อเพลินใจก็เป็นการมาจันทะเป็นลาคะเป็นความโลภด้วยหรือกรณีที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองเพลินใจจิตใจยินดีไปกับสิ่งใดในรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้ตัวแล้วก็ไม่อาจภาคใจออกจากสิ่งนั้นได้รูปรสกิ่นเสียงสัมผัส เศสีหรือว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นยังจิตใจพึงพอใจจิตใจยินดีไม่สามารถสลักตุดออกจากใจได้รู้ตัวแล้วตุดออกไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีลาคามีกรรมฉันทะ เรื่อมีความโลภทั้งที่รู้ตัวนั้นฉกเอาสึกหน้านี่ทำให้จิตอินญาณเกิดเป็นตัวเป็นตนในขณะปัจจุบันนั้นนั้นทันทีซึ่งตายแล้วก็พร้อมที่จะไปเกิดใหม่อีกอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีความไม่พึงพอใจไม่ชอบใจ ดิ้นรนผักใสสิ่งใดในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเจตีซึ่งเป็นสิ่งใดไปนอกหรือในภยไยในก็คือความรู้สึกนกิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาอึดอัดทึกมีอาการแน่นมีอาการปวดเมื่อยล้าไปทั่ว ก็มีความรู้สึกดิ้นหลอนผักใสหงุดหงิดลาคาญใจไม่พึงพอใจก็จะทําให้จิตวิญญาณมีตัวมีตนขึ้นมาตอนทีในขณะปัจจุบนันนั้นนถ้าเข้าไปหงุดหงิดดิ้นหลอนผักใสหงุดหงิดําคาญใจดิ้นหลอนผักใส่แล้วไม่รู้ตัวในขณะปัจจุบันนั้นนั้นก็เรียกว่าเป็นโมหะคือความหลง หลงไปในทางด้านไหนถหลงไปในทางที่มดุดอิดลำคาญใจที่โลนผักใสแล้วยังไม่รู้ตัวก็เรียกว่าหลงไปในทางที่เป็นโทสะพยาบาทกรณีนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะประสบกันมากคือเมื่อเกิดอาการใดๆที่รู้สึกว่าไม่โปร่งไม่โล่ง ไ, ไม่เบาสบายอึดอัดปวดเมื่อยเนื้อตามตัวตา่ตางๆ รู้สึกว่าจิตใจไม่สบายก็่จะมีความรู้สึกมุดอิดลำคาญที่หล่นปรับสายอาการเหล่านั้นอยากให้อาการเหล่านั้นหายไปโดยความข้อใจผิดซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าถ้าอาการอึดอัดไม่โปร่งไม่โล่ง ไ, ไ, ไม่เบาสบายเหล่านี้นหายไปก็จะทำให้ใจของเรานั้นว่างเปล่า ใจของเราจิ้นจับทุกข์ได้จะเป็นพันิชฌาได้ซึ่งความเข้าใจผิดเชนี้เป็นวิจาทณิติเพราะความรู้สึกทั้งที่ฝ่ายที่เป็นสุขความรู้สึกฝ่ายที่เป็นทุกข์หรือความรู้สึกเป็นกลางๆนั้นเป็นเวทนาเป็นขันธ์ที่สองในขันธ์หขอย่อมเป็นไปเช่นนั้นเองไม่สามารถที่จะ เข้าไปกำจัดเขาให้หายขาดไปได้ให้เหลือแต่สุขเวทนาหน้าเดียวเวทนาไม่อาจจะกำจัดให้หายขาดไปได้แต่กำจัดได้คือกำจัดความเข้าไปพอใจความไม่พอใจที่หล่นผักใส่มุดหนีลับการจ่ายจริงนั้นได้จ่ายจริงจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ว่าทำให้ทุกขเวทนาหายไป แต่ใจไม่เข้าไปหุนหงิดลำคาญใจที่หลนผักสายทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเองใจก็จะพลัดจับคุกในขณะปัจจุบันนั้นๆแต่ถ้าขณะปัจจุบันนั้นๆเข้าไปหุนหงิดลำคาญใจที่หลนผักสายในสิ่งใดนั้นก็จะเกิดเป็นจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะนั้นทันทีเรียกว่าเข้าสู่วงจรของปฏิจจสมุปบาทหมุนไปทันที หนขึ้นในปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันอีกกรณีหนึ่งก็คือเท่าที่ตังเกตเห็นก็คือว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดกับผู้ที่ฝึกหัดในขั้นที่สูงมีความละเอียดมากแล้วคือความตรึกนึกคิดค้นหาเหตุผลอยู่ภายในใจวดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตรึกนึกคิด ถึงเหตุผลในการปฏิบัติธรรมตั้งเหตุเกิดเหตุดับต่างๆมีความตรึกนึกคิดหาความถูกความผิดความถูกต้องมีความตรึกนึกคิดปรงแต่งหรือตรึกค้นหาเหตุผลไปในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติธรรมบรรลุพระนิพพานเดียวนั้นก้าวหน้ากว่านั้นขึ้นไปเป็นการตรึกค้นหาเหตุผลก็าหาตัวเองคือ ค้นหาวิธีการปฏิบัติธรรมหรือค้นหาเพื่อให้ตัวเองรู้แจ้งเพื่อตัวเองเข้าใจเพื่อตัวเองได้ตัวเองถึงตัวเองเป็นเป็นการตรึกให้เกิดตัณหาเป็นการตรึกก็าหาตัวเองหรือคนของตัวเองพวกของตัวเองก็เป็นกิเลสตัณหาเพื่อตัวเองหรือพวกพวกฟองของตัวเองหรือคนที่เรารักก็เป็นตัณหาเหมือนกัน เรียกว่าความแอบตึกอยู่ในใจตึกดินหล่นค้นหาเหตุผลค้นหาธรรมก็จะทำให้จิตวิญญาณเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะนั้นทำให้วงจรปฏิจจตัวบาทหมุนวนเกิดขึ้นมาในขณะนั้นทันทีข้อที่สรุปได้ก็มีในสามกรณีนี้ ถ้าจิตวิญญาณเกิดเป็นตัวเป็นตนหรือวงจปรปฏิจจาวัตุบาทเกิดขึ้นมาในขณะปัจจุบัน น, น, นั้นก็จะทําให้เกิดทุกข์เกิดจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเข้าไปมีความอยากความไม่อยากพอใจไม่พอใจติดนดรนปักใสขุดหิดลำคาญใจในสิ่งใดใจก็จะไม่พ้นจากทุกข์ใจจะพ้นจากทุกข์ได้จิตวิญญาณทั้งหลายต้องดับลง ไม่เกิดเป็นตัวเป็นตในตในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันรเรียกว่าวงรจรปฏิจจสมุปบาทต้องหักสะบั้นลงไม่หมุนวนใมเป็นตัวเป็นตนไปสู่กิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติความทุกข์กเศร้าเสียใจยกำแ้นใจไปแล้วก็จะไม่กลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกให้เป็นทุกข์อีกต่อไปความยากปัญญาตรงที่ว่า ท่านทั้งหลายไม่เห็นในขณะที่จิตใจแอบคิดนึกตึกตองปรงแต่งหรือตรึกตรองสิ่งใดอยู่ในใจให้เกิดเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะหรือเกิดเป็นก ร, รมฉันทะเกิดเป็นโทสะพยาบาทหรือเกิดเป็นความหลง ขึ้นมาในใจจนจิตปัญญาเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะนั้นสักครูบาอาจารย์เห็นแล้วในขณะจิตในปัจจุบันนั้นๆแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าขณะนั้นเกิดจิตปัญญาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวตรงนี้จะเป็นปัญหามากสําหรับพวกปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะว่า ทำอย่างไรได้เมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็หลงอยู่อย่างนั้นก็เป็นยังเป็นโมหะอยู่อย่างนั้นเพราะเมื่อเกิดจิตอิน ญ, ญาณขึ้นมาในแต่ละขนาดจิตเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่รู้ตัวก็ยังเป็นความหลงอยู่สี่งนั้นที่เราไม่ต้องพูดถึงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอีกต่างหากที่ยังไม่ยอมถอนความเห็นผิดนั้นออกจากใจคือมีความเห็นผิดว่าถ้าอาการทั้งหลายที่ไม่ชอบใจหายไป อาการทั้งหมดที่ไม่ชอบใจหายไปหมดแล้วเราจะวางป่าบรรลุผลิพานก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นตลอดไปดิ้นรนผักใสอาการต่างๆไม่เลิกลาโดยเข้าใจว่าถ้าผักใสอาการต่างๆที่ไม่ชอบใจทั้งหมดแล้วให้หายไปได้หมดแล้วก็จะบรรลุผลิพานในขนาดนั้นเมื่อมิจฉาทิฏฐิตัวนี้ยังไม่ดับไปมันก็จะเป็นความไม่สิ้นทุกข์ไปตลอดเวลา เพราะความที่ทุกนั้นไม่เข้าไปไม่พอใจเวทนาใดๆหรือการใดๆที่เป็นทุกขเวทนาในที่เป็นขณะปัจจุบันนั้นๆใจก็จะว่างเปล่าจากการที่หลนผักสายเุ่ น, นลำทานใจสิ่งใดแม้แต่มีทุกขเวทนาอยู่กันในขณะปัจจุบันนั้นๆใจก็จะไม่ทุกขใจก็จะว่างเปล่าอยู่ได้ มีอาการอยู่แต่ใจว่างเปล่าจากการเข้าไปยึดติดยึดถือในอาการเหล่านั้นได้ใจก็จะไม่ทุกข์ต้องเข้าใจสมัยก่อนเป็นดับมิจฉาทิฏฐิเข้าใจสมัยเป็นสมมาทิฏฐิในขั้นสูงที่สุดหรือใ น, ข, นขั้นสุดท้ายนั้นเมื่อจิตมันตรึกนึกคิดองแตง่งจิตใจตรึกนึกคิดองแตง่ง ในสามกรณีที่ว่ามาดังกล่าวนั้นตึกเปในทางพึงพอใจติดใจยินดีตึกนึกคิดปรงแต่งไปในทางเพลินใจติดใจยินดีเพื่อเพลินเจริญใจไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสรรมบัตเสียสีไดๆในภายนอกร่างกายหรือมีความตึกนึกคิดปรงแต่งอยู่ในใจมีความพึงพอใจเพื่อใจเพื่อเพลินใจติดใจยินดีในธรรมอารมณ์ ที่มาสัมผัสใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสใจในขณะปัจจุบันนั้นๆหรือในกรณีที่มีความนึกคิดปรงแต่งไปถึงความงุดหงิดล้ำคาญใจที่หลนผักใสนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนเป็นภายนอกหรือหงุดหงิดลําคาญใจกับอาการที่เกิดขึ้นภายในกายในใจของตัวเองซึ่งเป็นเวทนาทุกเวทนาต่างๆมีความที่หลนผักใสทุกเวทนาเหล่านั้น หรือในความที่ตึกนึกคิดหมกมุ่นเ ก, กี่ยวกับการที่หลวนค้นหาซ้ำในใจในขณะปัจจุบันนั้นๆถ้าในขั้นสัญจรขั้นสูงแล้วก็ใช้การสัมผสติรู้ตัวรู้ทวทันให้เร็วรู้ตัวรู้ทวทันความตึกนึกค <mut> <ẽ> ิดองค์แต่งที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนั้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันรู้ทันให้เร็วๆแล้วปล่อยวางไปรู้ทันให้รู้ทวทันให้เร็วๆแล้วปล่อยวางไปทันทีรู้ทวทันให้เร็วๆแล้วปล่อยวางไปทันที รู้ตัวรู้เท้อตายขึ้นมาเร็วๆแล้วปล่อยวางไปทันทีจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นก็จะดับไปทุกครั้งไปรู้ตัวให้ทันรู้ที่หลวงปู่ทาว่ารู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ให้เร็วละให้เร็วแล้วจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนั้นที่เป็นตัวเป็นตนในขณะปัจจุบันนั้นก็จะดับไปทันทีทุกครั้งที่รู้ตัวให้เร็วละให้เร็วรู้ตัวให้เร็วละให้เร็วจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนก็จะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไม่นานก็จะดับไปความคุ้นเคยในการรู้เท่าทันและในการที่เกิดขึ้นและดับไปในเวลารวดเร็วของจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะมีความก็จะมีความชํานาญขึ้นในการรู้ตัวเร็วละได้เร็วและจิตวิญญาณก็ดับได้เร็วจนจิตวิญญาณไม่เกิดไม่อาจเกิดเป็นตัวเป็นตนค้างอยู่ได้ในขณะปัจจุบันนั้นเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ไปไ ป, ปรากฏเป็นตัวเป็นตนได้ต่อไป จิตวิญญาณ น, นั้นก็ดับถลายหายกับคืนสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลกลายเป็นจักรวาลเดิมไปหรือเป็นพุท ธ, ธะไปรวมกับพุท ธ, ธะซึ่งเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นท่านจักรวาลเดิมเป็นธรรมชาติเดิมของพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระธรรมพระอรหันต์ทั้งหมดที่ได้สิ้นไปแล้วตอนนี้จริงต้องมา หาวิธีการฝึกให้รู้ ท, ทันในเหตุสามกรณีนี้เมื่อท่านไม่รู้ตัวในขณะเกิดจิตวิญญาเป็นปุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบันในสามกรณีนี้ก็ต้องหาวิธีการฝึกขึ้นมาวิธีการฝึกขึ้นมาก็คือว่าให้ท่านมีสติรู้อยู่กับเครื่องล่อไว้อย่างหนึ่งก่อน โดยเอาสิ่งใดจิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรอจิตไว้อย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกหรือคำบริกามพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโรเป็นเครื่องล่อจิตไว้หนึ่งอย่างก่อนในขณะนั้นที่รู้เครื่องล่อจิตไว้มีสติรู้เครื่องล่อจิตไว้จิตก็จะแอบคิดนึกตึกตองปุงแต่งไปในสาบกรณีนั้น ขึ้หนึ่งคือความเพลินใจติดใจยินดีไปกับสิ่งใดคิดนึกตึกตอนปมแต่งเพื่อเพลินใจไปถึงคนใดเรื่องราวใดๆสิ่งใดในอดีตทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือมีความแอบพบึงพอใจติดใจยินดีไปกับความรู้สึกโปง่งโล่งเบาสบายนั้นจนเพลินใจไปแล้วก็ลืมทิ้งเครื่องล่อเสียซึ่งเป็นลมนใจเข้าออกหรือคำบริกรรมพุทโธนั้นหรือนิ้วที่หมุนอยู่หรือมือที่โบอกอยู่ ก็จะทิ้งไปด้วยลืมเครื่องร่อในปัจจุบันนั้นๆไปอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นความสุขใจชอบใจเพลิดเ พ, เพเลินเจริญใจติดใจยินดีในขณะนั้นๆจนลืมเครื่องร่อในขณะนั้นๆไปเสียลืมลมหายใจเข้าออกลืมคา บ, บริกรรมพุทโธลืมนิ้วที่หมุนลืมมือที่โบลืมรู้อยู่ที่กายแล้วก็เพลินใจติดใจยินดีไป ก็ให้รู้ตัวรู้เ่าท่านแล้วกลับมาอยู่กับเครื่องร่ออีกรู้ตัวรู้เ่าทานแล้วกลับมาอยู่กับเครื่องร่ออจติมารู้อยู่กับเครื่องร่ออีกแต่บางครั้งมีสติรู้อยู่กับเครื่องร่อแล้วก็ลืมเครื่องร่อเข้าไปดิ้นรนผักใส่หงุดหงิดลำคาญใจกับสิ่งรูปลดกินเสียงสัมผัสใดๆในภายนอกหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิอารมณ์ในขณะปัจจุบันนั้น คืเป็นความทึบเป็นอัดไม่โปรง่งไม่โล่งไม่บบาสบายก็มีความยิ้มลนหุดหงิดลำคาใจพยายามให้กําจัดให้อาการเหล่านั้นหายไปโดยลืมเครื่องล่อทิ้งเครื่องล่อเสียกอใรู้ตัวรู้ท้อทันมีสติรู้ตัวรู้ท้อทันแล้วกลับมาอยู่กับเครื่องล่อไว้ให้สติกลับมารู้อยู่กับเครื่องล่อเดี๋ยวก็จะเผอภยัยก็ไปหุดหงิดลำคาใจยิ้มลนปากใส ถูร้รถกินเสียงสัมผัสหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกใน ก, กินอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นๆอีกเราก็รู้ตัวรู้เท่าทันรู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็กลับมาอยู่กับเครื่องล่อให้สติมาอยู่กับเครื่องล่อหรือในกรณีสติรู้อยู่กับเครื่องล่อแล้วก็ลืมเครื่องล่อเขาไปตึกลึกกิดปุงแต่งนิ้นรนค้นหาเหตุหาผลค้นหาทำอยู่ภายในจิตใจ จนลืมเครื่องล่อไปก็ให้มีสติรู้ตัวรู้เท่าทันความตึกเมื่อคิดปรงแต่งค้นหาเอกผลค้นหาธรรมก็จะดับไปแล้วกลับมาอยู่กับเครื่องล่อน้นให้มีสติมารู้อยู่กับเครื่องล่อตามเดิมแต่ถ้าทั้ง3มกรณีนั้นท่านมีสติรู้อยู่กับเครื่องล่อไว้ตลอดเวลาที่ท่านใจเป็นเครื่องล่อจิตของท่านไว้เลือกไวสักอย่างหนึ่ง เรหายใจเขาออกหรือกทำบริกรรมพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออ ก, อกธโหออธโรหรือเอานิ้วชี้กับนิวว้วหัวแม่มือบุนกันเหลือมือมือซ้ายกับมือขวาบกกันก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะถนัดโดวยวิธีใดแล้วในขณะพร้อมๆกันท่านก็เห็นจิตใ จ, จที่แอบตึกนึกคิดปรุงแตง่งมีความเพลินใจเพื่อเพลินจเจริญใจไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือธรรมลม ต้งที่อดีตปัจจุบันและอนาคตหรือรู้ไปพร้อมๆกับความตึกในคิปปรุงแต่งในทางที่หงุดหงิดที่ล่นผักไส่ลำคานใจสิ่งใดๆในขณะปัจจุบันนั้นๆหรือรู้ไปพร้อมๆกับความตึกในคิปปรุงแต่งค้นหาธรรมค้นหาเหตุหาผลหาถูกผิดในขณะปัจจุบันนั้นๆโดยรู้คู่คนไปตลอดเวลาอย่าทิ้งเครื่องร่อถ้าท่านไม่ทิ้งเครื่องร่อมีเครื่องร่ออยู่ใน สติรู้เครื่องล่อตลอดเวลาพร้อมกับรู้ความตึกนึกคิดปรุงแต่งที่มีความเพลินใจติดใจยินดีไปกับสิ่งใดหรือมีความตึกนึกคิดปรุงแต่งเข้าไปดิ้นรนผักใสหุดหงิดลำการใจใดๆหรือความตึกนึกคิดปรุงแต่งหมกมุ่นค้นหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดค้นหาธรรมในขณะปัจจุบันนั้นโดยรู้คู่คนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งเครื่องล่อเลย ความตึงนึกคิดเขาก็จะตึงนึกคิดแทรกมาเป็นระยะระยะระย ะ, ระยะใน3ามกรณีนั้นแต่เครื่องล่อนั้นสติรู้อยู่ในเครื่องล่อนั้นไม่หลุดหายไปเลยไม่ลืมเลยรู้คู่กันตลอดเวลาอย่างนี้ความตึงนึกคิดปงแต่งที่มีความติตใจเพลินใจจิตใจยินดีไปกับสิ่งใดหรือความไม่พึงพอใจคุณีิดลำคาญใจสิ่งใดหรือความคิดหมกมุ่นค้นหาถามค้นหาถูกหาผิดนั้นก็จะไม่มีกําลังลากขันไปได้ เพราะจิตใจของท่านหรือสติของท่านรู้อยู่กับเครื่องล่ออยู่ด้วยพร้อมๆกันในขณะนั้นๆความตึงนึกิดองแต่งในสามกรณีดังกล่าวก็จะไม่สามารถลากท่านออกไปได้นานมันก็จะกลับคืนมาสู่หลักมาสู่เครื่องล่อเองโดยอัตโนมัติถ้าไม่ต้องทําอะไรขอท่านรู้คู่นี้ไปอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาวิธีการสุดจะเปรียบเหมือนกับที่เจ้าบ้านเขาจับลิงป่ามาแล้วฝึกซ้อมให้มัน ไปเก็บมะพร้าวให้เก็บมะพร้าวบนต้นลิงป่านั้นก็มีความสุกสนมีความดื้อเขาก็ลิงป่านั้นกว่าจะมาเชื่องฝึกให้เชื่อให้ขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้ก็จะต้องล่ามลิงนั้นไว้กับหลักสติเปียบเหมือนเชื่องที่ปูกลิงจิตใจก็เปรียบเหมือนลิงพี่พระเจ้าตรัสว่าจิตนั้นจิตใจ น, นั้นเปรียบเหมือนลิงมีความสุกสนตลอดเวลาเป็นไ ป, นปนตามความคุ้นเคยเคยตัวเคยใจเป็นอาสวะอนุสัย อยู่ตลอดเวลาให้มีสติเป็นตัวเหนี่ยวล้างไว้มีความรู้ตัวรู้เท่าทาันไว้แล้วก็มีหลักที่จัใช้เป็นตัวผูกลิงไว้คือจิตใจหลักนั้นถ้าก็เลือกเอาว่าจะเอาลมหายใจเข้าออกคือรู้ไปทั้งกายนี่เลยว่ากายนั่งอยู่อย่างไรแล้วห า, หายใจเข้าหายใจออกหายใจสัน้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดก็รู้ลมหายใจเข้าออกไว้ หรือหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธโดยผู่ปารมณ์ใจก็ออกก็ได้หรือจะรู้อยู่ที่นิ้วชี้นิ้วหัวไม่มือมุนกันก็ได้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะถนัดเอาสิ่งใดเป็นเครื่องล่อให้มีสติรู้อยู่ก็เครื่องล่อนั้นคู่กันตลอดเวลากับรู้คู่กันตลอดเวลากับความตึกนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นความ เพลินใจเพื่อเพลินเนจริญใจไปถึงสิ่งใดๆหรือความตึกนึคิดปรุงแต่งเข้าเป็นหุ่นงดล้ำคาญใจที่ลนผักสายอาการใดใที่ไม่ชอบใจหรือสิ่งใดๆที่ไม่ชอบใจหรือความตึกนึกคิดปรุงแต่ ง, ง, ท, ท, ต ง, ตงที่ลนก้นหาเอภหาปวดหาทุกาปิตหาธรรมรู้คู่กันไวอย่างนั้นก็เครื่องร่อตลอดเวลาจิตวิ ญ, ญญาณที่เกิดเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนจะล่าสั้นไปได้ไม่นานมันก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆ จะถูกลากกลับก็หาหลักคือเครื่องล่อไว้เหมือนลิงที่ไม่ว่าจะซุกซนปานใดก็ไม่อาจจะออกจากหลักไปไกลได้นานเพราะมีสติเหมือนเชือกเหนี่ยวล้างไว้แล้วก็มีหลักผูกลิงนั้นไว้หลักคือเราไม่ใชก็ออกหรือกรรมไกรรมพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือหลักคือนิ้วชี้กับนิว้หวหัวมูที่หมุนกันที่จับความรู้สึกไว้หรือหลักคืออริยวตรของกายต่างๆยืเนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมต่างๆ นั่นคือหลักใจที่เป็นตัวเรียกจิตใจหรือเปรียบเหมือนลิงกลับมาสติคอยรู้ตัวรู้ท่อจานไว้เปรียบเหมือนเชือบคอยเหนี่ยวลังไว้ลิงป่านั้นก็จะตะเตลิดไปไม่ไกลหรือจิตใจก็จ ะ, ตะเตลิดไปไปในทางที่พึงพอใจติดใจยินดีเพลิดเพลินเจริญใจไปกับสิ่งใไดได้ไม่นานหรือจะเข้าไปหงุดหงิดที่ลนปักใสหยคดหงิดลำคาดใจได้ไม่นาน หรือจะเข้าไปตึกนึกคิดปรงแต่งค้นหาเหตุหาผลหาทูกหาผิดค้นหาธรรมก็ไปได้ไม่นานเพราะติดหลักไว้หลักใจติดหลักใจไว้ตลอดเวลานี่ให้รู้คู่กันไปอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็จะกลับมาเองจิตใจก็จะกลับมาเองกลับมาหาหลักเองพัดก็ไม่ต้องกังวลเอากลับไปเอากลับมาขอให้รู้คู่กันไวตลอดเวลาอย่าอย่าทิ้งหลักไปอย่าเผลอทิ้งหลักไปแล้วก็ลืมไปเลยปล่อยเพลินใจไปนานกว่าจะรู้ตัว ถ้าก็รู้ตัวให้เร็วๆขึ้นเร็ว ๆ, ๆขึ้นแล้วให้มันรู้คู่กันไว้อย่าทิ้งหลักไปนี่เป็นวิธีการที่ฝึกที่ทําให้รัดและรวดเร็วขึ้นเป็นคำสอนของพุทเจ้าซึ่งหลักที่หลอดใจไว้นั้นปลุกจิตใจไว้นั้นท่านยกตัวอย่างให้ถึง40อย่างแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาจะเลือกหลักใดต้องมีหลักใจซะก่อนถ้าฝนกจิไม่มีหลักใจจิตใจเปรียบเหมือนลิงก็จะตละหไปตามความเคยตัวเคยใจเรียกว่าอาสวะอนุสัย เป็นบ่อเกิดของอวิชชาตัญหาอุปาทานสุดอย่างนี้ให้เกิดความชำนาน ใ, ใจมีหลักใจไว้มีสติเป็นเครื่องปูกจิตไว้ไว้กับหลักจิตใจจะกระลาบทันไปให้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ดังที่มีภาษาวิถารกับทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีผู้กับทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทำไมจิตวิญญาณของพุทธเจ้าจึงดับเสียพราะพุทธเจ้าได้กล่าตอบว่าเพราะเราไม่เคยเพลินใจไปกับสิ่งใดเลยจิตวิญญาณเราจึงดับเสียนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่พุทธเจ้าได้ทํามาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วเพราะเราไม่เคยเพลินใจไปกับสิ่งใดเลยจิตวิญญาณเราจึงดับเสีย พระุทธเจ้าท่านทั้งหลายเมื่อสิ้นร่างกายแล้วร่างกายแตกตับแล้วจิตปิญญาของท่านก็ก็ดับสลายหายไปโดยแต่ความว่างการเป็นหนึ่งธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟอากาศธาตุปัญญาณธาตุก็กลับคืนสู่ธาตุกายธาตุมันดินกลับคืนสู่ดินน้ำกลับคืนสู่น้ำลมกลับคืนสู่ลมไฟกลับคืนสู่ไฟจิตปัญญาณก็ดับกลับคืนสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลในธรรมชาติ ไม่ทราบมีท่านใดสงสัยจิตปัญญาณนี่เกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนในใจท่านขณะายปัจจุบันในขณะปัจจุบันนั้นท่านตัวรูกทาทจิตปัญญาณ น, นขนั้นตอนไปทันทีใน3มกรณีนั้นคือกรณีใดกรณีหนึ่งก็จะสลับต่อเปลี่ยนบนเวียงอยู่เลื่อยใน3กรณีนั้นไม่เพลินใจก็จะเข้าไปที่หล่นผักใสหรือแมงก็จะตึกหรือคิด ป, ปุงแต่งเข้าไปค้นหาเหตุหาผลน้านนะถูกหรือผิดค้นหาธรรมที่หล่ค้นหาธรรมไม่เลิกลา ก็จะทำในจิตวิญญาตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในขณะปัจจุบนันนั้นทุกขณะปัจจุบันสงสัยก็ไต่ถามสัคคูบะอาจารย์สงสัยก็ไปปฏิบัติแล้วก็แก้ความเข้าใจผิดเสียข้อใจหมายเสีถูกต้องแล้วก็เพียรปฏิบัติตามหลักธําคําสอนนั่นแต่ละคนก็มีวัฒนาแตกต่างกันออกไปแต่ก็จะสามารถที่จะบรลุงองผลที่พานได้ถ้าตอ่อเนื่องจริงๆขอให้มีสมติ มีสติมีปัญญารู้ตัวรู้ตัวตัดเร็วๆขออย่างเดียวให้ดับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเสียพระพุทธเจ้าตัดว่าเราไม่เห็นโทษอันใดยิ่งใหญ่ความมิจฉาทิฏฐิเลยถ้ามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดมีความดื้อรั้นอยู่นั้นพระพุทธเจ้าตัดว่าเราเราไม่ทอดสะพานคือไม่ทรงสอนอีกต่อไปแล้วก็พูดท่านว่ามิจฉาทิฏฐินี้ทําให้ข้ามพบข้ามชาติ ไม่อาจจะบรรลุมามผลนิพพานได้เพราะความเห็นผิดเป็นโทษอันยิ่งใหญ่ความเห็นผิดความเข้าใจผิดและไม่ยอมแก้ไขถือว่าเป็นโทษอันยิ่งใหญ่ข้ามภพขําชาติก็ไม่อาจยันยังบรรลุมามผลนิพพานได้เพราะแก้ความเห็นผิดแล้วก็เดินทางตรงมันก็เร็วขึ้นปฏิบัติตามทางตรงที่สอนมันก็เพียรที่จะให้สติรู้อยู่กับเครื่องรอไว้ พร้อมๆกับสังเกตให้ดีๆและท่านจะเห็นทุกขณะจิตเองว่าจิตใจของท่านเพลินใจเพลิดเพลินเจริญใจจิตใจยินดีไปกับลูกลดขีดเสีย ง, งททยสัมปาเตียงสีหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบันนั้นๆหรือในขณะปัจจุบันนั้นๆมันแอบไปถึงเมื่อคิดตรงแต่งในทางที่ไม่พอใจดิ้ล่นผักไกหงุดกิดลาคาใจสิ่งใดหรือในขณะปัจจุบันนั้นๆมันเข้าไปแอบตึกเมื่อคิดตรงแต่ ง, ตงดิ้ลนค้นหาธรรม หาถูกาผิดหาเหตุหาผลเราก็จะรู้ตัวรู้เท่าทันได้อยู่ตลอดเวลาในตัวของเราเองโดยจิตนั้นมีเครื่องร่อไว้ก็จะเห็นเองถ้าจิตนั้นปัดเจากเครื่อง ร, อร่อซะแล้วเครื <adores S 1> ่องร่อจิตซะแล้วมันก็จะไม่เห็นเลยเพราะมันไปจี้ใส่ที่ตัวนั้นเลยบางคนไม่มีเครื่องล่อจี้สายไปที่จิตทันทีเลยมันก็จะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นจิตที่ตึกไม่อคิดปรงแต่งเลยเพราะจี้ใส่ไปที่ตัวจิตเลยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะว่ามันก็ไม่ได้คิดไม่อะไรขึ้นมาเลยเหลือแต่ความรู้สึกตื้อๆไว้แค่นั้นเอง จะต้องเอาตัวเครื่องล่อมาเป็นตัว่วงดุลไว้ถ่วงดุลพระตะก่อนเหมือนตาช่างสองข้างเอาตัวเครื่องล่อมาเป็นตัวทวงดุลไว้ไม่เช่นนั้นก็จะจี้จิตเห็นจิตก็จะจี้ใส่ไปที่จิตจี้ไปมองไม่เห็นความคิดนึกติดตอมปรงแต่งใดๆเลยรู้สึกแต่ตืต้อๆแล้วงงๆจี้ไปมึดๆมึนๆอย่างนั้นเองก็เอาตัวเครื่องล่อมาเป็นตัวถ่วงดุลไว้มันก็จะทําให้ไม่ได้จี้ใสยที่จิต คือเอากายนั่นเองอะ่ะเอากายเป็นเครื่องล่อทั้งตะเกตดูเครื่องลอกก็คือกายเราเองกายคือกายที่นั่งยืนเดินนอนทงกิจกรรมอะไรอยู่นั่นคือกายลมหายใจเข้าออกก็คือกายนิ้วที่หมุนก็คือกายมือที่โบกก็คือกายเพราะฉะนั้นกายนั่นเองเป็นเครื่องล่อในการที่รู้จิตรู้ทั้งกายและรู้ทั้งจิตไปพร้อมๆกันก็จะเป็นตัวตวงดุลกันไว้ทั้งกายและจิตก็มีประโยชน์ทั้งคู่คือจี้ไปที่จิตอย่างเดียว ก็จะเติร์ตเติเงียบนิ่งอยู่นั่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นั้ำความคิดเป็นฟุ่มื่องแล้วไมเห็นอารมณ์ใดๆเลยแต่ถ้าจี้ไปที่กายอย่างเดียวก็แน่นอึดอัดไปหมดเลยลองจี้ใส่ที่ลมาราจอย่างเดียวเลยจี้สายพิธีกายที่นั่งอยู่อย่างเดียวแน่นอึดอัดไปหมดและปวดล้าทั้งตัวเพราะฉะนั้นจะจี้ใส่พิธีกายอย่างเดียวก็ไม่ได้จี้ใส่ไปที่จิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรู้ทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกันท่วมดู้น่เท่ากันเหมือนกับปราช่์สองขาสองจาน ทวงดุลไม่เท่ากันย่างนั้นงรู้กายรู้จิตไว้รู้กายไปเครื่องร่อไว้แล้วขนาดเดียวกันก็รู้จิตไปด้วยจะไม่ทําให้ทั้ทวงดุลเสมอกันจะไม่ทําให้แน่นอึดอัดที่กายทั้งทวงดุลเสมอการก็จะไม่ทําให้แน่นอึดอัดที่จิตมันก็จะพอดีกั น, น, นสมดุลและพอดีรู้คู่ไปอย่างนี้ตลอดเวลาอย่าให้ตาช่างกระดกไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าตาช่างสองข้าง รู้รู้รู้ไปมันเหลือข้างเดียวเพลินใจติดไปเหลือข้างเดียวมันก็ปล่อยให้ความคิดมันติดตอปุองแต่งอารมณ์ล่าไปจนลืมไปแล้วลืมรู้กายแล้วอันนั้นก็เรียกว่าขาดแลแ้วตาช่างขาดหายไปข้างนึงเหลือข้างเดียวมันขาดถูกมาันล่าไปจนไนีอารมณ์ต่างๆแล้วก็รู้ตัวรู้ทวารกลับมาให้ตาช่างสองข้างตามเดิมท่าอย่าง น, นี้มีความชํานาญขึ้นชานาญขึ้นท่านก็จะสามารถรู้ทวานจิตที่ติดนึกคิดปงแต่ง กอให้เกิดจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นต น, ตนตขึ้นในขณะปัจจุบนันนั้นๆในสามกรณีนี้เองฝุกให้ชำนาญครับแล้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด